คำอธิบายเรื่องการรักษาโรคโดยโอปปาติกะเรื่องการรักษาโรคโดยโอปปาติกะดังที่หม่อมหลวงประกายสุประดิษฐ์ได้เขียนไว้ในหนังสือวิญญาณฉบับนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็นับว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการรักษาโรคโดยโอปปาติกะนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเรื่องนี้ซึ่งข้าพเจ้าควรจะได้กราบเรียนถามหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารโตแต่แล้วก็ไม่ได้ถามเนื่องจากในขณะนี้ท่านไม่อยู่ติดต่อไม่ได้จึงได้กราบเรียนถามโอปปาติกะอีกองค์หนึ่งซึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ ตามที่หม่อมหลวงประกายสุประดิษฐ์ได้เล่าให้ฟังว่าในคืนของวันที่ไปฉีดยาแก้โรคติดเชื้อไวรัสนั้นรู้สึกวูบและหวิวหมดความรู้สึกไปซึ่งเข้าใจว่าเนื่องมาจากการแพ้ยามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อได้เห็นตัวเองนอนอยู่บนปุยเมฆซึ่งครั้งแรกคิดว่าเป็นหินและได้พบพระฤาษีสามองค์และได้พบหลวงพ่อสมเด็จด้วยซึ่งในเรื่องที่เล่ามานั้น รู้แต่ว่าท่านทำการรักษาให้แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดมาว่าท่านรักษาอย่างไรตัวอย่างเช่นนี้ท่านบอกว่ามีทางที่จะเป็นไปได้สองอย่างกล่าวคือ 1. หม่อมหลวงประกายได้ไปพบกับโอปปาติกะจริงและท่านก็ได้ทำการรักษาให้ 2. ความจริงตัวเองไม่ได้ไปพบใครเลยแต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นเสมือนหนึ่งในความฝันนั้นเป็นภาพที่เกิดจากวิบากของตัวเองซึ่งหมายความว่าคนเราเมื่อป่วยหนักแต่ยังไม่ถึงคราวที่จะต้องตายบุญกุศลที่ได้เคยสร้างสมเอาไว้ย่อมจะช่วยคุ้มครองป้องกันให้ได้และโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่มีความเคารพนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า สามารถจะช่วยบรรดาให้คนเราพ้นจากอันตรายหรือช่วยรักษาโรคให้หายได้นั้นความเชื่อที่ฝังลึกมีมานานโดยสันดานยอมจะสร้างภาพตามที่ตัวเองเคยยึดถือให้เกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกับในกรณีของความฝันที่เป็นจริงที่เกิดจากวิบากของตัวซึ่งเรียกว่าบุพนิมิตความฝันอย่างนี้อาจจะออกมาในรูปที่เป็นสัญลักษ ซึ่งจะต้องแปลความหมายหรืออาจจะออกมาในรูปเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ต้องแปลความหมายก็ได้คนบางคนที่หัวใจหยุดเต้นซึ่งทางแพทย์ถือว่าเขาได้ตายแล้วแต่ต่อมาภายหลังกลับฟื้นขึ้นมาและได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปพบเห็นมาเรื่องอย่างนี้ก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่ไปเห็นมานั้นจะเป็นความจริงทุกอย่าง บางเรื่องก็เป็นเพียงภาพจินตนาการที่เกิดจากความเชื่อถือและความเข้าใจที่มีมาแต่เดิมแต่เรื่องในทำนองนี้คนที่ได้ประสบมาด้วยตนเองมักจะมีความเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริงก็เพราะว่ามันผิดกับเรื่องความฝันตามธรรมดามากกล่าวคือเรื่องที่ฝันกันอย่างธรรมดานั้นไม่ค่อยจะมีความประทับใจตื่นขึ้นมาแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็ลืม แต่เรื่องที่ปรากฏให้เห็นสำหรับคนที่ตายไปช่วขณะหนึ่งหรือคนที่สลบเป็นเรื่องที่มีความประทับใจมากจำได้ติดตาไปจนตลอดชีวิตทั้งนี้ก็เพราะโดยหลักธรรมดาคนที่เข้าสมาธิได้ถ้าสามารถเข้าได้ลึกมากเท่าไหร่มโนภาพที่เห็นในสมาธิก็ย่อมจะปรากฏชัดมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับคนที่นอนหลับ ถ้าหลับได้สนิทมากจนกระทั่งเสียงหรือว่าสิ่งรบ ก, กวนภายนอกแม้จะมีมากสักเพียงไรก็ไม่ตื่นในเมื่อยังไม่ถึงเวลาคนที่นอนหลับได้สนิทมากเช่นนี้ก็จะเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมีความประทับใจมากเสมือนหนึ่งเรื่องราวที่ปรากฏในความฝันนั้นเป็นจริงทั้งหมดและตนเองก็ได้ไปเห็นมาจริงๆ คนที่สลบหรือว่าตายไปช่วขณะหนึ่งก็เช่นเดียวกันเรื่องราวต่างๆที่ไปได้เห็นมาก็ย่อมจะมีความชัดเจนมีความประทับใจยิ่งกว่าคนที่นอนหลับสนิทเพราะคนที่สลบหรือตายไปช่วขณะหนึ่งนั้นเขาอยู่ในภาวะที่หลับลึกยิ่งกว่าคนที่นอนหลับอย่างธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์มายอย่างเช่นหม่อมหลวงประกายเนี้ยจึงเป็นธรรมดาอยู่เอง ที่เขาจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องจะไม่จริงเป็นเพียงมโนภาพที่เกิดจากวิบากเกิดขึ้นจากความเชื่อถือที่ลึกซึ้งก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเช่นอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นถึงว่าอำนาจจิตภายในตัวของคนเราย่อมจะสามารถรักษาโรคได้ทุกอย่างซึ่งอานาจภายในที่ว่านี้โดยธรรมดามันก็ทาการรักษาร่างกายอยู่แล้วเป็นปกติ แต่มันก็เหมือนกับคนที่ออกแรงอยู่ตามปกติซึ่งคนเราแต่และคนย่อมมีเรี่ยวแรงอยู่ในขอบเขต ท, ที่จำกัดแต่ถ้าหากในขณะใดมีเรื่องทำให้ตกใจหรือทำให้เกิดความปีติยินดีจนกระทั่งลืมตัวแล้วเราก็จะพบว่าเขามีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นอีกมากมายในทำนองเดียวกันคนที่นอนหลับได้อย่างสนิทที่สุดหรือคนที่สลบหรือคนที่ตายไปชั่วขณะหนึ่งนั้น ในภาวะเช่นนี้ถ้าหากมีอะไรมากระตุ้นให้ต้องใช้กำลังภายในเหมือนกับคนที่เกิดความตกใจหรือเกิดความปีติยินดีจนลืมตัวแล้วอำนาจภายในก็จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวและด้วยเหตุนี้เองจึงสามารถทำการรักษาโรคได้โดยทำให้หายได้อย่างรวดเร็ว ขอให้นึกถึงตัวอย่างบุคคลบางคนที่มีอำนาจจิตสูงซึ่งสามารถที่จะทำการรักษาโรคให้หายได้อย่างฉับพลันตัวอย่างเช่นพระเยซูคริสต์ตามประวัติที่บันทึกไว้ในคัมภีร์นั้นก็ปรากฏว่าพระองค์ได้ทรงรักษาโรคต่างๆให้หายได้อย่างรวดเร็วโดยเพียงการอธิษฐานจิตเท่านั้นเรื่องทานองอย่างนี้ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องอำนาจจิตอย่างลึกซึ้งก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องอำนาจจิตเป็นอย่างดีนั้นไม่มีใครเข้าสงสัยและข้าพเจ้าก็อยากจะแนะนำให้ดูรายการเรื่องโลกบันเทิงในทีวีช่อง7ซึ่งได้มีเป็นประจำทุกวันเสราร์เวลาประมาณสองทุ่มเศษ ในรายการนี้ได้เอาตัวอย่างจริงๆของคนที่มีอำนาจจิตสูงมาแสดงให้เห็นประจักษ์หลายเรื่องแล้วเช่นเมื่อวันเสาร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2514นี้ได้มีการสะกดจิตให้คนคนหนึ่งหมดความรู้สึกและเอาไปฝังไว้ในหลุมลึกประมาณ1เมตรเศษโดยเอาใส่ไว้ในโรงปิดให้สนิทแล้วใช้รถแท็กเตอร์ไถดินกลบเสร็จแล้วยังเอาเชื้อเพลิงลาดน้ามัน วางไว้บนหลุมจุดให้ไฟลุกอยู่เป็นเวลาประมาณ20นาทีครั้นแล้วก็ได้ขุดขึ้นมาปรากฏว่าคนคนนั้นไม่รู้สึกตัวในระหว่างที่อยู่ในหลุมว่าตนเองถูกฝังและไม่รู้สึกร้อนทั้งๆที่ดินนั้นร้อนมากแต่ก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆในเมื่อคลายอำนาจสะกดตื่นขึ้นมาหมายเหตุดวนี้รายการนี้ไม่มีแล้วนะครับ เรื่องอำนาจจิตเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจกันอย่างละเอียดแล้วจึงจะเข้าใจว่าการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตของตัวเองหรือด้วยอำนาจจิตของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ทําได้ผลทุกครั้งหรือได้ผลทุกรายเพราะมันยังมีอำนาจอีกอันหนึ่งคืออำนาจแห่งวิบากของคนเราแต่ละคนซึ่งยากที่ใกลๆจะเอาชนะได้ กล่าวคือคนเราเมื่อถึงคราวที่จะต้องตายเพราะวิบากของตนกําหนดมาเช่นนั้นอำนาจใดๆก็ช่วยให้พ้นจากความตายไม่ได้หรือคนบางคนเป็นโรคที่เกิดจากอำนาจวิบากของกรรมและเป็นกรรมชนิดที่จะต้องให้ผลไปอีกนานในกรณีอย่างนี้ใครๆก็รักษาให้หายไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าอานาจจิต จะรักษาโรคได้ทุกอย่างทุกกรณีอันหนึ่งในกรณีที่คนป่วยบางคนในเมื่อหลับตาไปหรือสลบไปหรือตายไปช่วขณะหนึ่งก็ตามได้ไปพบกับโอปปาติกะจริงๆและท่านก็ช่วยรักษาโรคให้หายได้นั้นก็มีหลักอย่างเดียวกันกล่าวคือเป็นการรักษาโรคด้วยอำนาจจิต และถ้าหากในการรักษานั้นจะมีการใช้ยาหรือใช้เครื่องอุปกรณ์ใดๆก็ตามเท่าที่โอปปาติกะผู้ทำการรักษาได้และใช้อยู่นั้นก็เป็นเพียงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ป่วยตามอุปาทานของเขาที่มีอยู่เท่านั้นเพราะถ้าหากไม่ใช้ยาหรือใช้อุปกรณ์บางอย่างคนไข้ก็จะมีความเชื่อไม่พอถ้าความเชื่อไม่พอ อำนาจจิตที่จะนํามาใช้ก็มีกำลังไม่พอที่จะรักษาโรคให้หายได้แต่อย่างไรก็ดีขอให้เข้าใจว่าถึงแม้ในกรณีที่มีโอปปาติกะมาช่วยรักษาให้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไข้ได้หายด้วยอำนาจจิตของท่านก็ตามแต่ความเป็นจริง โรคหายด้วยอำนาจจิตของคนป่วยเองส่วนโอปปาติกะผู้ที่ทำการรักษานั้นเป็นแต่เพียงช่วยเพิ่มพลังจิตของคนไข้ให้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้าหากท่านไม่ช่วยแล้วอำนาจจิตในตัวคนไข้ก็จะไม่มีพลังสูงขึ้นเพราะฉะนั้นหลักใหญ่จึงอยู่ที่อำนาจจิตของตนเอง